ก็ได้ทำพระเช้ากันบนพระทาตนะหรือว่าพระเจดีที่บ้านปักอิงนะ่ะริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้ถึงตัวอันเฟอเชียงของก็บรรยากาศดีไหมมใครนอนข้างล่างได้ยินเสียงแม่น้ำโขงกระทบปวดหินกระทบฝัง่ง ก็เป็นที่ตั้งของวัด ท, ที่ที่สวยงามเนาะเราเห็นแม่น้าเราเห็นฝั่งโคงเห็นฝั่งลาวแล้วก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึ่งสังเกตไหมพี่ว่าเราเจอบรรยากาศที่ที่สวยงามหรือว่าแปลกตาจิตใจของเราก็บางครั้งมันก็ถดําดออกไปสนใจนะหรือว่าไป ไปอยู่กับสิ่งที่ที่มันแปลกที่มันสวยแต่บางคราวถ้าจิตใจน้อมเอาเอาความสวยเอาความแปลกตาน้อมเข้ามาสู่ใจมันมก็จะกลายเป็นความสงบได้นะจิตจิตถ้าถ้าจิตเราไหลไปไปออกไปภายนอกจะออกไปสู่ธรรมชาติภายนอกเนี่ย เว่าจิตเราไหลออกไปนะจิตเราก็ไปติดกับความสวยกับความแปลกแต่ถ้าเราน้อมเอาธรรมชาติภายนอกเข้ามาสู่ตัวเรานะเช่นเอาความงามเอาความสงบน้อมเข้ามาหาใจเราใจเราก็จะเกิดความงามเกิดความสุขเนี่ยลองลองลองสังเกตัวนะเวลาเราไปที่ไหนก็เหมือนกันนะมันจะมี ปฏิกิยาคล้ายๆเนี่ยในเรื่องของจิตถ้าเรารู้เท่าทานแล้วเราจะน้อมเอาธรรมชาติภายนอกเข้ามาสู่ใจเนี่ยมันจะกลายเป็นความสงบกลายเป็นความสุขแต่มันก็มีอีกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะบางทีเช่นถ้าธรรมชาติภายนอกมันวุ่นวายเช่นอาจจะดัดงอาจจะผู้คนพลุกพล่า น, นถ้าเราน้อมเอาธรรมชาติภายนอกที่ ที่วุ่นวายไม่สงบเข้ามาสวนใจใจเราเ็จะพลอยวุ้นวายตางไปด้วยแต่ถ้าเราไม่สงใจไปดึงธรรมชาติภายนอกเข้ามาหาเข้ามาหาตัวเราแล้วนะเราก็แค่ตั้งใจของเราให้มั่นนะดารงสติให้มั่นทำใจให้มั่นคงธรรมชาติภายนอกก็เป็นต่วนหนึ่งใจเราก็ยังสามารถ สงบหรือว่าเป็นปกติได้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นอุบายเป็นเทคนิคเนาะเราก็ต้องรู้จักเลือกถ้าธรรมาชาติภายนอกเขาสงบเขาสวยงามเราก็สามารถดึงใช้พลังงานนะมันมาน้อมนําหรือว่ามาช่วยเสริมนะความสงบหรือความมั่นคงหรือว่าเพิ่มความสุขให้กับจิตใจได้แต่ถ้าธรรมาชาติภายนอกมันวุ่นวายมันไม่สงบ เราก็ดูเท่าทันไม่ตรงจิตเราออกไปดึงเอาสิ่งรอบข้ามมาเป็นเป็นตัวเป็นตนตของเราะก็ให้ตั้งสติไว้ให้มั่ น, น่แล้วก็ไม่ไหลไปกับอารมณ์ถือว่าสิ่งที่ภายนอกมากระทบเราก็จะไปคุงแต่งต่อจิตใจเราก็จะเกิดความมั่นคงเกิดความสงบได้ที่จริงธรรมชาติภายนอกกือธรรมชาติภายในมันก็เนื่องแล้วก็สัมพันธ์กันอยู่นะ แต่ถ้าเรามีสติและมีปัญญาเราจะรู้จักเลือกเลือ ก, กรักหรือเลือกปฏิเสธน ะ, ะตัวเนี้ยได้ะนะมันก็เป็นการฝึกในในรูปแบบหนึง่งนะที่จริงเราก็กระทบกับสิ่งภายนอกเ ร, เรา ก, เราก็เราก็มีการกระทบสิ่งภายในของเราเองเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็จะทําให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวนะเราก็รู้จักเลือกนะรู้จักปฏิเสธ ในการเลือกก็ปฏิเสธอย่างมีปัญญาไม่ใช่เลือกหรือว่าปฏิเสธเพราะว่ า, าวิชาคือความชอบหรือความชังนะแต่เร า, เ ล, าเลือกให้เกิดปัญญา น, ะนำพาจิตใจให้ให้มีความรู้นำพาจิตใจให้มีความสงบมีความตื่นแบบบานขึ้นอันนี้คือถ้าเราสัมพันธ์กับธรรมชาตนะินเราก็สัมพันธ์ให้มันให้มันได้ทํานองนี้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเรามาอยู่ที่ที่เจดีย์ตรวนี้นะก็เป็นเป็นพุทธสถานที่ที่ก็สวยงามนะแล้วก็คง ม, มั่นคงก็ทำให้รลึกถึงตอนที่ไปไปอินเดียนะไปอินเดียเมื่อไม่กี่วันก่อนก็น ก, ก็ได้ไปดูสถูปนะ ประถูกฐานศารชีได้ไปดูหมู่ถ้ำโบราณนะถ้ำอจันต้าถ้ำอโรราถ้ำคาร่าถ้ำพัชชาอะไรประมาณนะี้นะก็เป็นหมู่ถ้ำพุทธแล้วก็มีท <c oughs> ้ม่ำเวนบ้างนะที่ก็เก่าแก่เหมือนกันเราสังเกตเลยว่าที่จริงอย่างพระพุทธเจ้าเองก่อนที่ท่านจะตัสรุเอ่อก่อนที่ท่านจะปรินิพานท่านก็บอกพุทธศาสนิกชนว่า มีสถานที่สี่แห่งที่ที่ทําให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็คือที่ที่ท่านประสูต์ที่ท่านตรัสรู้ที่ท่านแสดงปฐมเทศนาแล้ก็ที่ท่านปรินิพานสถานที่เหล่านี้ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะถ้าพุทธศาสนิกชนอยากจะรลึกถึงพุทธองค์ก็ให้มาสถานที่เหล่านี้ก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ ตอนหลังมาก็บางบางครั้งบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะมาสถานที่เหล่านั้นก็มีการสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้ายังไม่มีการยังไม่กล้าคนสมัยก่อนยังไม่กล้าที่จะปั้นรูปเป็นพระพุทธรูปหรือว่าปันป้นเป็นตัวตนที่เป็นหุ่นคล้ายๆ พ, า พ, าพระพพุทธเจ้าเพราะว่ากลัวว่าถ้าทำไม่เหมือ น, นจะเป็นการลบดู ไม่ให้เกียรติพระพุทธองค์นะก็ทําทเป็นสั ญ, ญลักษณ์เช่นทําเป็นรูปดอกบัวนะแทนกา ร, ระสูตดทําเป็นรูปต้นโพแล้วก็มีที่นั่งว่า ง, างมีบันลังว่างแทนแทนพระพุทธเจ้าตอนตัดสรุปนะทําเป็นรูปธรรมจักรมีรูปกวางนะเป็นส่วนกวางแทนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาครั้งแรก หรือว่ามีต้นดังต้นจิกแล้วก็มีพระแท่นร่างเปล่าไว้ mm. พระพุทธเจ้าก็ปรินิาผ่านอะไรประมาณนี้นะอาจจะมีรูปแบบอีกในอีกหลายๆแบบที่แตกต่างไป mm. ก็เพื่ออะไรเพื่ อ, อทำเช่นนี้ไว้ก็เมื่อคนรุ่นหลังนั้นเขาได้เห็นก็ระลึถึงพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน แม้ไม่ได้มาในสถานที่ที่พระเจ้าทั้งสี่นั้นทั้งสี่แห่งนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เช่นกันแต่ตอนหลังก็มีการสร้างพระพุทธรูปมีการวาดภาพเป็นรูปเหมือนหรือว่าแสดงเรื่องราวตา่างๆในเรื่องของชาดกก็ดีเรื่องของพุทธประวัติก็ดีก็ทำให้คนได้รู้เรื่องราวแล้วก็ทำให้คนระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เช่นกัน จะถึงตอนนี้ยจะแย่มากมายเนาะเจดี JD เองจะถูกเองพระพุทธรูปเองนะหรือว่าพระดีเองก็ดีเนี่ยมีเพื่อให้ได้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็ไม่รู้ว่าบางทีอมัมมีมากคนกลับกระลึกถึงพระรัตนตัยมากตามไปด้วยหรือเปล่าจะเหมือนคนสมัยก่อนแม้ วัตถุภายนอกอาจจะมีไม่มากแต่คนอาจจะมีจิตใจและลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มากกว่ากันก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นเช่นไรแต่ถ้าเราไม่เอาคนอื่นไม่ไม่ต้องไปหาเหตุผลหรือว่าไปห า, าหลักฐานจากเรื่องภายนอกเราเรื่องของตัวเราเอง เราก็ลองดูดูใจของเราเองเวลาเราเช่นสมมติเวลาเราคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราเห็นพระพุทธรูปเราสามารถเตือนตัวเองให้กลับมามีสติได้ไหมเออมันคิดไม่ดีแล้วนะเห็นหน้าพระพุทธรูปเห็นเจดีแล้วเรามีสติกลับมาจับความคิดที่ไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเราได้พุทธานุสติแล้วนะเรามีพุทธานุสติ และนึกถึงพระพุทธเจ้าอาจจะโดยการเห็นหรือแค่การคิดถึงพระเจ้าทาให้เรากลับมามีสติตัดความคิดที่ไม่ดีตัดการปรงแต่งออกไปนีนกีเราก็ได้พุทธทานสติแล้วหรือเราจะนึกถึงพระธธรรมเช่นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะที่เราได้จากการสวดมนต์หรืออาจจาะครูบาอาจารย์ทาให้เราได้สติกลับมานะ เปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้รู้ตัวนะเปลี่ยนความฟุ้งซ่านเป็นความสงบเนี่ยเราก็มีธรรมานุสตนะิในการที่จะดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือว่าตัดการปุุงแต่งของสังขารไปหรือบางคราวนะเราถ้ารึกถึงหลวงพ่อคูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเราก็ได้สังขารนุสติกลับมารู้ตัวนะ ไม่ใช่เราลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วไปคิดถึงหรือว่าไปไปเศร้าโศกเสียใจนะเราต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเราต้องมีกำลังใจนะมีกำลังใจที่เห็นท่านเป็นผู้ที่ปฏิวัติปฏิบัติชอบเราก็ทำความเพียรที่จะเดินตามรอยท่านตรง น, นั้นอันนี้ก็จะได้สังขารุสตนะิเราไม่ได้คิดถึงในแง่อะไรอาวรณ์ เราไม่ได้คิดถึงในแง่ที่จะไปอ้อนวอนขอร้องอะไรท่านแต่เราต้องคิดถึงในแง่ที่เราจะต้องมีกำลังใจในการทำความเพียรยิ่งไปอันนี้เราถึงจะได้สังขารู้สติหรือพวกเราเองหลายคนเป็นนักบวชเราเวลาเราคิดไม่ดีเรามีสติรู้ทันว่าใช่ตอนนี้เราคิดไม่ดีนะเราเป็นนักบวชอยู่นะคิดเช่นนี้ได้หรืออนะ ก็มีสติเตือนตัเองก็เป็นสังขานึสติแบบหนึ่งนะเตือนตัวเองในสถานะที่เราเป็นนักบวชเราก็กลับมามีสตินกลับมามีสติไม่ไหลไปตามความคิดหรือว่าคําพูดหรือการกระทำอะไรที่มไม่เหมาะกับความเป็นตำแหนาา่งสาธุเราก็กลับมานมีสติแล้วก็สํารวมระวังอันนี้ก็เป็นสังขารนึกสติอย่างหนึง่งหรือไม่แต่ญาติโยมก็ดีนะ แม้ไม่ได้เป็นนักบวชแต่ถ้าเราเข้ามาสู่ในเขตอารามเขตวัดหรือว่าเราตั้งใจที่เราจะปฏิบัติธรรมนะพอเรามีการกระทําที่มันไม่เหมาะสมมีความคิดที่มันไม่ดีเราก็สามารถเตือนตัวเองว่าเออเรากำลังตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนะเราตั้งใจจะฝุดฝนตนนะเราก็ได้สติกลับมาตัดจากความฟุ้งซ่านตรงนั้นได้ อันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเองก็ดีพระธรรมเองก็ดีหรือพระสมก็ดีนะรัตนใจเนี่ยก็ทำให้เรามีอนุสติก็คือกลับมารู้ตัวได้ถ้าเราน้อมน้อมนำมาน้อมนํมาถึงนะั้นมาเพื่อการปฏิบัติจริงๆนะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็ก็คิดแต่จะสร้าง จะสร้างรูปเคารพนะหรือว่าสร้างติกต่างๆแทนพุทธเจ้าแต่การสร้างก็ดีถ้าสร้างแล้วทําให้มีติกลับมาเช่นนี้แต่บางคนมีพระเครื่องเต็มคอหรือว่าพระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มวัดนะแต่ถ้าชีวิตจริงยังไม่ได้ปฏิบัติตามตามคำสองของพระพุทธเจ้าก็ยังถือว่าห่างไกลอยู่ยังถือว่าห่างไกล พระเครื่องไม่สามารถเตือนตัวเองเวลากินเหล้าได้เวลาที่พูดคําหยาหรือพูดคำโกหกได้ก็แสดงว่าพระเครื่องก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าเราไม่ระลึกถึงพระภาธที่แขวนคอเราอยู่หรือเราอยู่วัดหรือว่าเราบวชเองก็ดีถ้าเราไม่ระลึกถึงสถานะของเราเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ผ้าเหลืองหรือว่าโคนหัวก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติกลับมาระลึกว่าเออ อะไรที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีเยอะอีกนะไม่ใช่เพียงเท่านี้หรือว่าก็บทที่เราฝันพระคิตทั้งสนะิบเนี่ยควรพิจารณาสิบข้อนะถ้าเราเตือนตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการขัดเกา่าตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่มันดีแล้วก็ทําดีต่อไปอะไรที่มันยังไม่ดีเราก็ขัดเกาว่าวก็แก้ไขขึ้นไปเรื่อยๆเนะ่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมจะติดนสิสัยความเป็นมือนบิดชิตของเราให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้ก็คือเป็นอนุสติที่จะเตือนตัวเองกลับมาอันเนี้ยการสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของเขาเนาะมีพัฒนาการของเขาอ่าแต่เราก็ต้องแต่เราไม่ไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของโลกหรอกนะอ่แต่เราจะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยเอามาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดก็ดีนะที่เราได้มาอยู่ในสถานที่ที่เป็นพุทธสถาน ให้ได้รับถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์แล้วก็น้อมนําตัวเนี้ยมาสู่ใจของเรานะ่ะให้มันมั่นคงขึ้ น, นเรื่อยๆให้พระพุทธพระธรรมพระสงค์ในใจของเราได้ได้มีความงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆในะการน้อมนำนะสิ่งที่ที่เป็นกุศลจิตเนะี่ยทําให้เกิดกุศลเข้ามาสู่ใจของเรานะเพื่อขับไล่อกุจลที่จิตนะ่ะที่มันก็มี นอนเนื่องในสันดานของเราเนั่ยแหละก็ค่อยๆแทนที่ไปนะนะเหมือนกับไคล้ายน้ําดีที่ค่อยเติมเต็มไรน้ําเสียขึ้นไปเรื่อยๆนะหรืออากาศนะออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าออกซิเจนมันมากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกับท้องฟ้าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมานะ ความมืดความสลัวสลัวก็จะค่อยๆจางคายไปเนาะายเป็นความสว่างความสวัยมันก็แทนที่กันเช่นนั้นนะพระอาทิตย์จำกัดความมืดได้เช่นไรเนาะสติปัญญาแ่งสว่างแห่งธรรมะก็กาจัดอวิชาหรือความหลงความไม่รู้เอาไปจิตใจของเราได้มากเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะมันก็เป็นความเพียรที่เราก็ต้องพยายามทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเยนาะ ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรเราจะถึงมรรผลนิพพานนะเมื่อไรเราจะก้าวหน้าแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีสติะระลึกรู้นะตัวเองอยู่เสมอหรือมีสติะระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอเมื่อ น, นั้นแหละเราก็เข้าถึงก็ถึงความสุขความสงบความตื่นความเมบิกบานแล้วเนาะให้เราได้เข้ถึงแบบนี้นอยู่บ่อย จิตเราก็จะเป็นพุทธะขึ้นมาในน้อยขึ้นไปอยู่ทุกขณะนะแล้วก็ถึงในตอนนั้นละแต่ต่อไปมันอาจจะหลงอีกก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมารู้ตัวใหม่นะกลับมาระ ล, ลึกใหม่รนะ ล, ลึกรู้ตัวเองหรือแล้วก็รู้ถึงนะธรรมชาติที่ที่ดภีภายนอกเพื่อ น, น้องเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าน้อมนําใจเราให้ออกจากความหลงแล้วเนะี่ย แล้วก็ทําแบบนี้ยบ่อยๆทำแบบนี้ บ, บ่อยๆเหมือนกับการเดินทางของเราท่านแหละเนา ะ, นะบางทีจุดหมายปลายทางในแต่ละวันเนี่ ย, มยสมมติ20กว่ากิโลนี่ถ้าเราคิดระยะทางถ้าเราคิดว่าต้องผ่านพวกเขาผ่านหมู่บ้านผ่านแดดผ่านความเหนื่อยล้านี่มันถ้าคิดนี่มันหนักนะถ้าคิดที่มันหนักแต่ถ้าเราวางความคิดไว้นะ เราเพียงแต่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเดินเดินทีละก้าวนะทีละก้าวทีละก้าวผ่านแดดนะทีละขณะทีละขณะผ่านความเหนื่อยล้าผ่านความท่อแท้ทีละครั้งทีละครั้งอนะมันก็จะทําให้เราเรียกว่าใกล้เป้าหมายหรือว่าเดินได้ไกลมากขึ้นแต่ที่จริงบางทีมันก็ไม่ใช่มีแต่ด้านอคศิหรือว่าด้าน นั่นทุกข์นั่นเลยอย่างเดียวเนาะถ้าเราเปิดใจดีเราจะเห็นว่าบางคราวก็ลมเย็นสบายบางคราวก็มีต้นไม้บางคราวก็มีทานน้ําใจจากชาวบ้านอ่บางคราวก็มีวิวสวยงามสองข้างทางให้เราได้ประสบพบเห็นอะไรต่างๆเนี้ยมันก็มีจริงอยู่สองข้างทางเราก็ถ้าเรารู้จักเปิดใจเราก็สามารถสืบสัตความความดีความงาม ความสุขมาเป็นกาลังใจในการเดินทางได้นะแล้วไอ้ความเหนื่อยล้าไอ้ความทุกข์ก็เอามาเป็นตัวเตือนใจสอนใจนะไม่หลงไปกับมันนะแม้จะเหนื่อยบ้างก็ขอให้รู้ๆๆว่ามันเป็นแค่การเหนื่อยของกายนะนั่งพักสักหน่อยก็หายละนอนหลับสักหน่อยตื่นขึ้นมาก็ดีขึ้นนะความล้าความเมื่อยก็เป็นธรรมดาของกาย เรามีกายมันก็ต้องมีมีทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นธรรมดาเราเลือกแบบนี้มันก็เออก็ธรรมดาของมันเนาะนะมันก็มันก็ไม่ต้องไปทุกขอะไรกับมันนะแดดมันจะร้อนเราก็เลือกไม่ได้นะมันก็ร้อนก็ธรรมดาของเขามีร่มเงาบ้างก็ขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่ให้ร่มเงาให้หรือที่ดอกไม้บางต้นก็ กระดังออกดอกสวยงามแล้วก็สัมผัสได้ในพวกนี้ธรรมะทั้งนั้นเนาะธรรมะภายนอกก็ดีธรรมะภายในก็ดีนะประสานกันให้เพื่อให้จิตใจมันเกิดการพัฒนาขึ้นนะอย่าประสานกันเพื่อให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความหลงนะเราต้องรู้จักใช้สติและปัญญานะนำพาจิตใจนะเข้าสู่ สภาวะคุทธะให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ฝากกันไว้ในเช้าวันนี้